สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสนอรายการธรรมรับอารุณ์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 ขันทั้งห้าเป็นของหนักบุคคลนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกการปรงภาระหนักเสียได้เป็นความสุขพระอริยเจ้าปรงภาระหนักลงเสียแล้วทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอื่นขึ้นมาอีก ก็เป็นผู้ถอนตัญหาขึ้นได้กระชั้งรากเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือนี่คือรายการธรรมารัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งมีแม่ขายจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมาหานคร กระายเสียงทั้งในระบบ AM และ FM ไปตามเครือข่ายของสถานีวิทยุทั่วประเทศไม่ว่าท่านผู้ฟังจะรับฟังอยู่ที่จุดไหนในโลกก็สามารถรับฟังรายการธรรมะรับปรินได้วันนี้อาตมาพระไพบูรณ์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธ า, านี จะมาเป็นผู้ที่แสดงปะะาตคถาคือในวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์จะได้พบกับอรมาพระภัยบูร์ในวันศุกร์ก็จะเป็นรูปแบบของการปาตคถาแล้วในวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นรูปแบบของการสนทนาือการสักชากี่ยวกับอุบาสิกาเตือนใจสินตุวนิกวันนี้ก็นนจะได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับขันห้าขันทั้งห้าคืออะไร บางท่านอาจจะเข้าใจว่าขันนี้มันหมายถึงขันตักน้ําขันเงินหรือขันทองหรือเปล่าไม่ใช่ขันนี่เป็นภาษาบาลีเป็นคําที่บุรุษเจ้าใช้เรียกการที่ชัดกลุ่มกันเป็นกองกองบุรุษเจ้าก็จะแบ่งของในโลกนี้ทั้งหมดจับต้องได้จับต้องไม่ได้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแบ่งแบ่งเ อ, อกมาละรวมได้ห้ากองจึงมีห้าขัน กองแรกคือกันที่หนึ่งก็คือสิ่งที่จับต้องได้ทั้งหมดเนะียไม่ว่าจะเป็นรูปอาสามารถวัดได้รูปทั้งหลายแหล่เนี่ยที่จับต้องไดนะ้ก็จะมีพวกที่ทํามาจากอย่างเช่นอะไรไมโครโฟนรถยนต์รถเมย์บ้านนะตัวคนส่วนที่เป็นแขนขาเนื้อนี่ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ารูป แจะเป็นของแข็งที่จับต้องได้หรือจะเป็นของเหลวก็ได้ซึ่งถ้าเราแบ่งจริงๆแล้วก็จะได้ทั้งหมด5ธาตุด้วยกันและมีธาตุทั้งหมด5อย่างที่จะรวมกันเป็นรูปขี้มาได้แรกก็จะเป็นธาตุดินธาตุดินคือส่วนที่เป็นของแข็งของหยาบมีในกายบ้างมีข้างนอกบ้างในกายก็มีพวกผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออินย์กระดูกพวกนี้ตับม้ามเส้ใหญ่เสี้เล็กอาหารใหม่อาหา ร, หาหารเก่าพวกนี้ทั้งหมด คือสิ่งที่เรียกว่าธาตุดินที่อยู่ในกายธาตุน้ําที่อยู่ในกายก็พวกที่เป็นของเหลวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเลือดน้ําเหลืองน้ํำนองอะไรต่างๆหรือว่าของที่มีลักษณะไหลไปไหลมาได้ทั้งที่ข้างนอกข้างในเรียกว่าธาตุน้ําอย่างที่สามคือธาตุลมน้ำลมเนี่ยก็คือสิ่งที่ไหวตัวได้่เป็นอากาศสาตวที่มีการเคลื่อนตัว ก็คือทัดลมอทัดลมในร่างกายของเราจะมีลมขึ้นเบื้องบนลงลมลงเบื้องต่ําะขึ้นเบื้องบนก็จะออกมาเป็นลักษณะของลมที่ออกมาจากปากคือเร่อแต่ลมที่ออกมาจากทางเบื้องล่างก็จะเป็นลักษณะอีกแบบหนึ่งนี่คือทัดลมหรือลมที่เล่นไปตามตัวบางทีเราอ่รู้สึกถึงลมที่เล่นขึ้นแล่นลงนก็จะเป็นทัดลมเหมือนกัน อันที่สี่ก็คือธาตุไฟนั่นคือความร้อนไฟที่ย่อยอาหารไฟย่างการให้อบอุ่นไฟย่างการให้สุสสลมพวกนี้คือธาตุไฟที่อยู่ในกายสิ่งต่างๆข้างนอกที่เป็นความร้อนทั้งหมดก็เป็นธาตุไฟเหมือนกันธาตุที่ห้าก็คือธาตุอากาศธาตุอากาศธาตุนี่คือช่องว่างที่เนื้อและเลือดไม่ได้เป็นบรรจุอยู่เช่นช่องหูช่องในท้องที่ อาหารที่กินแล้วดื่มแล้วเนี่ยไหลไปไหลามาช่องพวกเนี้ยคือพระเจ้าเรียกว่าอากาศสาตวหรือว่าช่องว่างต่างๆข้างนอกแล้วแต่ที่ไม่ได้มีลมอยู่เพราะฉะนั้นอากาศสาตวถ้ามีการเคลื่อนไหวก็จะเป็นาธาตุลมเหมือนอย่างที่เราได้เคยสนทนากันไปในบ ร, ริเรีนที่ว่าอากาศเนี่ยถ้าอยู่นิ่งๆก็คืออากาศของมันถ้ามีการเคลื่อนที่ก็เป็นลม อากาศที่มีการเคลื่อนที่เข้าไปในจมูกเนี่ยก็คือลมหายใจเข้าแต่อากาศที่เคลื่อนที่ออกมาจากจมูกเนี่ยก็จะเป็นลมหายใจออกลักษณะนี้นี่คือส่วนที่เป็นรูปทั้งหมดส่วนที่เป็นรูปเนี่ยในโลกธาตุเนี่ยในโลกของเราทั้งจักรวาลเนี่ยแบ่งได้กองแรกเรียกว่ารูปกองที่สองนะคือความรู้สึกคือเวทนาเวทนาตรงนี้เป็นภาษาบาลี แปลเป็นภาษาไทยว่าความรู้สึกแต่บางท่านอาจจะเข้าใจว่าเวทนาเวทนานี่คือทุกหน้าเวทนาเหมือนกับเห็นขอทานหรือว่าคนที่ตกทุกข์ได้ยากสถานการณ์ในต่างประเทศที่มีอุทกภยัยต่างรู้สึกหน้าเวทนาอันนี้นไม่ใช่เวทนาตรงนี้คือความรู้สึกความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายก็ได้ในใจก็ได้แต่เราจจะรู้สึกมีความรู้สึกเป็นทุกข์ จากการเห็นเหตุการณ์ในต่างประเทศที่มีาภัยธรรมชาติอะไรต่างๆความรู้สึกเกิดขึ้นที่ใจตรงเนี้ยเรียกว่าความรู้สึกที่เป็นทุกข์หรือทุกขเวทนาความรู้สึกตรงนี้ยังมีความรู้สึกที่เป็นสุขก็มีะเช่นความรู้สึกสุขเวทนาอันนี้ก็คือความรู้สึกที่เป็นสุขหรือเป็นความรู้สึกที่ทั้งไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขพระพุทธเจ้าก็จะใช้คำว่าทุกข์ขมสุ ข, ขเวทนา เพื่อนๆต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าที่ให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของขันทั้งห้าก่อนเพื่อที่จะได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของคนเราตอนนี้เราถึงขันที่สองคือเรื่องของเวตนาแล้วจะอธิบายให้ฟังว่าการทํางานของขันตั้งห้าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงทําไมเราจะต้องมาอยู่ที่นี่แล้วก็เราจะทํายังไงเพื่อแก้ปัญหาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ด้วยระบบของขันทั้งห้านี้ขันที่สามกองที่สาม ก็คือสิ่งที่เรียกว่าสัญญาสัญญาเนี่ยเป็นภาษาบาลีกลายเป็นไทยอว่าความหมายรู้ความหมายรู้ว่าอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าปากกาเอาพลาสติกเนี่ยมาหล่ออย่างนี้มีไส้ในอย่างนี้เขียนออกมาได้อย่างเงี้ยคือปากกาเอาเหล็กมาต่อๆกันใส่นี่เข้าไปเครื่องเข้าไปต่อล้อมีมประตู อ, อ้าวนี่มันเรียกว่ารถนี่คือสัญญาคือความจําหมายว่า อ๋ออันนี้รถนี่ปากกานี่คมไฟอันนี้ไมโครโฟนอันนี้บ้านอันนี้ถนนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือพลาสติกมันก็คือเหล็กมันก็คือธาตุดินธาตุน้ําแต่พอมาจับมารวมกันในลักษณะที่เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราจึงจําหมายว่าอ๋ออันนี้เป็นอย่างนี้หรือแม้แต่ชื่อคนนี่ก็คนเหมือนกันีคนเอเชียเหมือนกันคนไทยเหมือนกันเอาแล้วคุณชื่ออะไรในชื่อนายกรนายขอนายงอ นายต่างๆเนี่ยเป็นสัญญาแต่เป็นความจำหมายว่าอ๋อบุคคล น, นี้คือคนนี้ลักษณะนี้ อ, อย่างที่สี่อย่างที่สี่ก็คือสังขารคือการปรุงแต่งสังขารแปลว่าการปรุงแต่งการปรุงแต่งตรงนี้ทาํางันยังไงก็คือมีการปรุงแต่งรูปให้เป็นรูปจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยว่า ง, ง่ายๆแล่วเถอะเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเ ป, ปลี่ยนแปลงไปการเ ป, ปลี่ยนแปลงตรงเนี้เป็นหน้าที่ของสังขารที่เขาจะมาทํางานของเขาเองเช่นระบบการเจ้าอาหารในร่างกายนะระบบการที่เซลล์แต่และเซลล์มีการดูดซึมการหล่อเลี้ยงอาหารอะไรต่างๆเป็นกระบวนการที่มันมีการเ ป, ปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดล่ะอันนี้จึงเรียว่าสังคัญอันที่ห้าก็คือเรื่องของวิญญาณวิญญาณนีเ่เป็นภาษาบาลีแปลว่าความรับรู้นำ ร, รู้รู้เฉย เพราะฉะนั้นรับรู้วิญญาณกับรู้สึกคือเวทนาไม่เหมือนกันความรับรู้ตรงนี้ต่างกันยังไงอย่างเช่นเรานั่งฟังรายการวิทยุอยู่นี่มีสัมผัสของลมหายใจผ่านเข้าออกอยู่ในโพรงจมูกใช่ไหมการที่เราไปรับรู้ถึงสัมผัสนี้นี่แหละใช้วิญญาณคือเอาจิตของเราเนี่ยเข้าไปรับรู้ถึงสัมผัสที่ผ่านเข้าผ่านออกนี่แหละคือการทํางานของวิญญาณทีนี้ ห้าอย่างเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านผู้ฟังก็คงจะเข้าใจเรื่องของคำศัพท์พอสมควรแล้วเข้าใจแค่เนี้จะสามารถอธิบายการทํางานได้อธิาจะยกตัวอย่างสิ่งเหล่านี้เอาไว้คร่าวๆอย่างนี้ในการทํางานของขันทั้งห้าเนี่ยมีวิญญาณคือการรับรู้เนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าเปรี่ยบเหมือนกับมเมล็ดพืชแต่แล้วก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเปรี่ยบเหมือนกับดิน ถ้าเมล็ดพืชเนี่ยยังมีเชื้ออยู่นะยังมีเขาเรียกว่าเชื้อที่จะไปเกิดใหม่ได้ยางมันยังไม่หมดเนี่ยเมล็ดพืชเนี่ยถ้าหย่อนลงไปในดินมีน้ํามีแดดมันจะโตขึ้นมาได้เหมือนการวิญญาณของเราเยถ้าครอบไปรับรู้ในเวทนาสัญญาสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยก็จะเติบโตต่อไปได้มีการโตมีการเกิดมีการงอกใหม่ได้อย่างเช่นเวลาที่ เราไปห้สรรสินค้าหรือบางคนฟังรยายการนี้อยู่เนี่ยเกิดภาษสะหูใช่ไหมหูคืออะไรหูคือรูปหูเสียงพวกนี้คือรูปทั้งหมดหูเสียงได้ฟังเสียงวิทยุเข้าไปในหูเกิดสัมผัสขึ้นอะไรเข้าไปรับรู้อันดับแรกเลยคือจิตจิตเข้าไปรับรู้นะวิญญาณทํางานละวิญญาณเข้าไปรับรู้รูปณ์วินาทีที่คุณได้ยินเสียงพอวินาทีที่คุณได้ยินเสียงเนี่ย เสียงอะไรเราก็ไม่รู้ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศเราจะไม่เข้าใจเลยแต่นี่เพราะคุณรู้ภาษาไทยอยู่อาตมาพูดภาษาไทยผู้ฟังก็ฟังภาษาไทยรู้เรื่องซึ่งมีสัญญาความจาหมายว่าอ๋ออันนี้มันภาษาไทยพูดถึงฉันอยู่จิตสัญญาจึงเข้าทำงานทันทีณนะวินาทีนั้นจิตของเราก็ไปสัญญาละไปจำหมายไปเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ความหมายรู้ว่าอ๋ออันนี้ภาษาไทยอันนี้พูดถึงเราอันนี้พูดธรรมะจําได้นี่คือสัญญาพอมีสัญญาจําได้ว่าอ๋ออันนี้พูดถึงฉันนะสิ่งที่จะตามมาก็คือมีการบางคนเนี่ยก็จะมีการปรุงแต่งว่าโอ้ฉันจะเอาไปใช้งานที่นั่นที่นี่เอาความรู้นี้ไปใช้งานในกรณีอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือการปรุงแต่งความจําหรือว่า ลักษณะสิ่งที่ตัวเองหมายรู้ได้นี่คือหน้าที่ของสังขารจะเห็นได้ว่าแค่ฟังเสียงวิทยุเนี่ยรูปสัญญาสังขารวิญญาณทํางานหมดและในขณะที่แล้วในขณะที่เรากําลังฟังทำอยู่เนี่ยฟังเสียงอยู่เนี่ยมีความจําหมายรั้มีสัญญาเกิดขึ้นแล้วมีการปรุงคิดไปแล้วว่าจะเอาไปใช้งานอย่างนั้นอย่างนี้คนนี้ควรจะมาฟังอะไรต่างๆจะมีความรู้สึกที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเกิดขึ้นบางคนชอบฟังธรรมะนี่แหมมัน อิ่มเอิบตื้นตันอยู่ในใจอันนี้จะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยคือเวทนาเป็นความรู้สึกบางคนไม่ชอบฟังอฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่เข้าใจแล้วเป็นการไม่ชอบเป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นแต่เป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นแค่เสียววินาทีเดียวห้าอย่างเนี่ยอยู่ในตัวเราหมดทุกอย่างคุณเดินไปตามถนนกับรถยนต์ไปที่ไหนก็แล้วแต่ ก็จะมีองค์ประกอบของห้าอย่างเนี่ยเกิดขึ้นอยู่เสมอเช่นไปที่ทํางานวันสุขเนี่ยยังทํางานกันอยู่ไปที่ทํางานเจอหัวหน้าหรือลูกน้องถ้าคนใดคนหนึ่งเขาพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมาการที่เราเห็นการที่เราเห็นก่อนนะตาคืออะไรตาคือรูปเป็นของแข็งจับตั้งได้ภาพที่เห็นสะท้อนเข้ามาในกระสกม่านตาผ่านเข้าไปใครรับรู้จิตเพราะฉะนั้นจิตเข้าทํางานแล้ววิญญาณเข้าทํางานแล้ว วิญญาณเข้าไปยึดเกี่ยวข้องกับรูปกนะ้าวลงในรูปพระพุทธเาใช้คำีวิญญาณมีการก้าวลงในรูปเพื่อรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นณนะขณะนั้นนะพอมีการก้าวลงในรูปรู้ล้วสัญญาก็จะมีการจําหมายว่าอ๋ออันนี้มันหัวหน้าฉันอันนี้มันลูกน้องฉันถ้าไม่มีสัญญาเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าบุคคลนี้เป็นใครเหมือนกล้องถ่ายรูปอะถ่ายไปถ่ายไปแต่ไม่รู้ว่าอันนี้มันคือภาพอะไรส่วนก็ต้องต้องมีจิตเข้าไปยึดเกี่ยวกับสัญญา ยึดเกี่ยวว่าอ๋อนี่จําหมายว่าอ๋อนนี้มันรูปฉันเมื่อสมัยยี่สิบปีมาแล้วอันนี้มันหัวหน้าอันนี้มันลูกน้องอันนี้คนที่เราไม่ชอบอันนี้คนที่เรารักสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในสัญญาพอเราจําหมายรู้ว่าอันนี้เป็นใครเป็นใครแล้วเราจะมีความรู้สึกที่ชอบไม่ชอบหรือเฉยๆเกิดขึ้นอันนี้เวทนาก็จะเข้าทํางานแในเวทนาที่จิตจะเข้าไปยึดถือเนี่ยก็จะเกิดจากการที่จําหมายรู้ก่อน หรื อ, อได้รับฟังได้รับรู้ก่อนจึงจะมีความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะฉะนั้นการรับรู้คือวิญญาณต่างกับการรู้สึกคือเวทนาซึ่งแม้ว่าภาษาไทยเนี่ยบางทีใช้คากวมใกล้เคียงกันมากจึงทาให้เกิดการสับสนได้ ซ, ซึ่งถ้าเราพูดเป็นภาษาบาลีหรือภาษาที่อพอเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะพูดยังไงก็จะสามารถเข้าใจได้แต่พอเรารบ ร, ราบารถ อ๋อการรู้สึกกับการรับรู้เนี่ยจะไม่เหมือนกันอย่างความรู้สึกบางคนบอกว่าบุคคลคนนี้เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ฉันรู้สึกง่วงนอนอยู่ไอความสร้างสรรค์ความง่วงนอนตรงเนี้ยไม่ใช่เวทนาความสร้างสรรค์ความง่วงนอนตรงเนี้ยเป็นสัญญาคือความจําหมายว่าอ๋อความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายลักษณะเนี่ยความรู้สึกที่อยู่ระหว่างลูกตาด้านหลังท้ายทอยเป็นอย่างนี้รวมการเรียกว่า ความง่วงเพราะฉะนั้นเราจึงมีผัสสะมีความสัมผัสเกิดขึ้นในกายและจิตก้าวลงในรูปเรียบร้อยแล้วนะนี่จังหวะที่หนึ่งจังหวะที่สองเราก็จะจําหมายได้ว่าอ๋อนี่คือความรู้สึกง่วงนอนซึ่งไม่ใช่ความรู้สึกแต่เป็นความหมายรู้ว่าง่วงนอนซึ่งเป็นสัญญาไม่ใช่เวทนาเพราะฉะนั้นต้องชี้ความแตกต่างตรงนี้นิดหนึ่งพอเราเข้าใจประเด็นตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถเข้าใจการทํางานตรงนี้ได้เออมีครั้งหนึ่งที่ มีพราหม์ชื่อโลหิตตัสัดพราหมองเนี้ยเมื่อก่อนเขาเป็นพราหม์ อ, มอยู่ตอนที่มาพบพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเทวดาเทวดาชื่อโลหิตตัสัดเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนตัวเองเป็นพราหม์เนี่ยมีฤทธิ์หอะไปในอากาศได้หอบไปได้รวดเร็วเท่ากับบุรุษเนี่ยที่แข็งแรงยิงเกาทันยิงเกาทันสามารถไปได้หนึ่งชั่วระยะต้นฐานด้วยเวลาแป๊บเดียว แล้วก็ลูกถนูเนี่ยเป็นลูกถนูขนาดหนักเขาสามารถหาะไปได้ในอากาศเนี่ยรวดเร็วกว่านั้นอีกแล้วก็เขาเนี่ยยังอดข้าวอดน้ำนะเว้นการไปห้องน้ําการขับถ่ายเพื่อที่จะเดินทางไปต้องการทราบว่าที่สุดโลกเนี่ยอยู่ที่ไหนเหมือนนักผจญภัยสมัยก่อนนึกออกไหมว่าเขาก็ประจญภัยไปเลยไม่รู้ว่าโลกไปสุดที่ไหนแต่ต้องการหาต้องการรู้พราวองค์นี้ก็เลยมีฤทธิ์ใช้ฤทธิ์ตัวเองเนี่ยหาะไปเลย พอไปจะต้องการทราบว่าเอาที่สุดแห่งโลกเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วเว้นการหลับการนอนเว้นการพักเว้นการกินเว้นการเข้าห้องน้ําต่างๆสุดท้ายยังไม่ทันถึงสุดโลกตายเสียก่อนตายเสร็จเนื่องจากว่าตัวเองมีสมาธิมีอริจใช่ไหมก็เลยไปเกิดเป็นเทวดาพอไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็ยังหาที่สุดของโลกไม่เจอก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าถามสมณโคโดมของเราบอกว่า ถามว่าเอที่สุดโลกเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเนาะเพราะว่าอาขนาดบินขนาดนี้แล้วนะเว้นขนาดนี้แล้วยังตายระหว่างเนี่ยไม่รู้อยู่ที่ไหนเลยมาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ า, าก็บอกว่าที่สุดแห่งโลกเนี่ยก็อยู่ในขันธ์ทั้งห้านี่แหละอยู่ในตัวของเรานี่เองแดีวรูปเวทนาสัญญาสังขารบิน ญ, ญาณท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจหรือถ้าจะอธิบายให้เข้าใจก็ต้องอธิบายอย่างนี้ว่าการที่ พระวงนี้ต้องการไปหาที่สุดโลกเนี่ยบางคนคิดว่าโลกมีขอบโลกหรือว่าสุดจักรวาลมีขอบจักรวาลอะไรต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสถึงประเด็นนี้เนี่ยก็คือว่าในจักรวาลนี้เนี่ยก็จะประกอบด้วยขนันธ์หน้านี้เหมือนกันก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแม้ดาวดวงอื่นดวงจันทร์ก็มีพวกนี้อยู่เหมือนกันแม้ดาวอังคารก็มีพวกนี้อยู่เหมือนกันในระบบสุริยะจักรวาลก็มีพวกนี้อยู่เหมือนกันไม่ได้ไปไหนจากนี้เลย การที่เราไม่ว่าจะไปถึงไหนก็มีแค่นี้ไม่ว่าคุณจะไปถึงขอบตรงไหนก็มีแค่นี้นะไม่สามารถหลุดออกจากโลกที่เรียกกันว่าระบบของขันห้าระบบโลกตรงนี้ได้วิธีที่จะหลุดออกจากการออกจากโลกคือออกจากขันห้าตรงนี้ได้เนี่ยพุทธเจ้าได้อธิบายเอาไวา้ว่าขันห้าเนี่ยคือรูปเป็นนาสัญญาทางการวิญญาณเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะเรียกให้ถูกเนี่ย คือความยึดมั่นในรูปความยึดมั่นในสังขารความยึดมั่นในสัญญาความยึดมั่นในเวทนาและความยึดมั่นในวิญญาณความยึดมั่นตรงเนี้ยอุ ป, าปทานนี่แหละจึงนำไม่เกิดมีโลกนี้ขึ้นถ้าเราละอุปทานได้ความยึดมั่นในโลกพวกนี้ก็จะดับ Bye ลงกันคือความสิ้นสุดของโลกแต่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องมีตําแหน่งตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งจุดสิ้นสุดของโลกเนี่ยไม่ได้ไปถึงด้วยการมากันไป คุณนั่งอยู่ตรงนี้คุณก็สามารถทำให้ไปถึงที่สิ้นสุดแห่งโลกได้ด้วยการจำกัดชำระไอ้เจ้าตัวอุปทานนี้ทั้านั้นเองแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่คนที่ศึกษาธรรมะหรือว่าคนไทยอาจจะเข้าใจผิดกันมากนั่นก็คือเรื่องของวิญญาณวิญญาณที่เข้าใจกันว่าเป็นดวงดวงเที่ยวแล่นไปเกิดเที่ยวไปเกิดชาตินั้นชาตินี้เกิดพบเกิดชาติาต่างๆเป็นวิญญาณเป็นดวงดวงเที่ยวไปเกิดเนี่ย อันนี้ไม่ถูกพระพุทธเจ้าก็ยืนยันไว้ว่ามีพิกษุสาติองค์หนึ่งที่มีความเข้าใจว่าวิญญาณเนี่ยที่เป็นตัวไปเกิดไ ป, ไปที่นู่นไปที่นี่เที่ยวเล่นไปเกิดต่างๆอันนี้วิชาทิฏฐิแล้วพระพุทธเจ้าเลยเรียกพิกสุสาติเนี่ยมาเตือนว่าเราไม่เคยสอนอย่างนี้ทำไมเธอมาพูดอย่างนี้ซึ่งวิญญาณที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยไม่ได้วิญญาณที่เป็นดวงดวงอะไรเลยนะแต่เป็นวิญญาณที่ มีลักษณะการรับรู้เท่านั้นเองวิญญาณเนี่ยเป็นคําที่แปลว่าการรับรู้ทําหน้าที่รับรู้รับรู้ในอะไรก็รับรู้ในมโนรับรู้ในจิตก็ได้ในความคิดนึกต่างๆที่เกิดขึ้นในใจรับรู้ในอะไรอีกรับรู้ทางตานะมีภาพผ่านเข้ามารับรู้ทางเสียงจมูกลิ้นกายใจพวกนี้รับรู้ทางนี้นี่จะเป็นหน้าที่ของเขาแล้วก็ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของอะไร พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบกับมีคนตาบอดคนหนึ่งตาบอดตั้งแต่เกิดเลยเขาก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นว่าแสงสีอะไรต่างๆเป็นไงแต่มีคนบอกว่าผ้าขาวเนี่ยเป็นของดีนะเป็นผ้าไหมสีขาวอย่างดีเนื้อ น, นุ่มละเอียดแต่นะเขาก็จําข้อมูลนี้ไว้เป็นสัญญาเกิดขึ้นลมาพอมีคนคนหนึ่งคนอีกคนหนึ่งมาลวงเขามาหลอกเขาว่า เอาผ้าเนื้อเหลวเปื้อนกระเหมาเนี่ยมาหลอกแบบว่านี่แหละคือผ้าขาวเนื้อดีแต่เป็นของดีงทางตอนตัวเองไม่เคยจับไม่เคยเห็นตากระบอกนี้เนาะพอคนที่เขามาลวงเนี่ยเขามาหลอกว่าอันนี้เป็นผ้าเนื้อดีนะแต่จริงๆเป็นผ้าเปื้อนกระเหมาเนื้อเหลวคนตาบอดนั้นก็เลยเอามาห่มใช่ไหมสบายใจละ่ะฉันได้ของดีละของงดงามประสาทบุญทินเป็นผ้าเนื้อดีแต่จริงๆเป็นของไม่ดีแต่มีคนอื่นมาหลอก พอในสมัยต่อๆมาก็มีพวกญาตนะิหรือว่าคนใกล้ชิดเนี่ยพาหมอมารักษาหมอเนี่ยก็ประกอบยาถ่ายยยาถ่ายโทษในเบื้องบนเ บ, บื้องตามยานัดยาหยาดให้การแสดงเพื่อที่จะรักษาตาให้ดีพอรักษาตาดีแล้วเนี่ยเขามาพบว่าเอา้านี่มันผ้านเนื้อเลวเปื้อนกระเมาทําไมมันหลอกกันได้แลนะ้วเลยรู้สึกถึงว่าไอ้คนที่มันหลอกเราเนี่ยนะมันไม่ดีจริงๆเป็นคน ไม่ดีต้องต้องเรียกว่าไปแก้แค้นเขาคุณเจ้ายกตัวอย่างนี้อุปมาอุปไมยเนี่ยเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบว่าขันทั้งห้าเนี่ยคือรูปใวธนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญาณเป็นของหนักเราเนี่ยไปหลงถูกหลอกนะด้วยจิตให้ไปยึดถือสิ่งเหล่าเนี้ยโดยความเป็นของเราเป็นตัวตนของเราเป็นของหนักพอเราถูกหลอกว่าอันนี้เป็นของดีเป็นของ มุดงานเป็นของใช้ต้องเอาต้องเอาต้องได้ต้องมีต้องเป็นก็ไปมีไปเอาไปเป็นไปได้รูปเปทนนาสัญญาสังขารบิน ญ, ญาในโลกนี้ธรรมะจะบอกให้ที่ทะเลาะ ก, กันอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้หนีไปจากขันทั้งหานี้คนนี้เขามีความคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าสีชั้นถูกเท่านั้นสีอื่นไม่ถูกเนี่ยคือคือความยึดมั่นถือมั่นในสัญญาอีกพวกหนึ่งก็มีความคิดแตกต่างอีกอย่างหนึ่งเป็น เ, เรื่องต่าง สังขารที่เขามาพูดกันมารุงแต่งกันว่าต้องด่าคนนู้นอย่างนี้นั่นแหละก็คือการปรุงแต่งจิต ข, ของเขานั่นก็คือสังขารที่ก็ทํางานเพราะฉะนั้นที่มีปัญหากันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่หนีไปจากกันดั้งห้าแต่การที่เราถูกจิตของเราเนี่ยหลอกว่าขันดังห้าเนี่ยเป็นของฉันฉันต้องมีฉันต้องเป็นฉันต้องได้ฉันต้องยึดตรงนี้แหละคือสิ่งที่เรากําลังถูกอภิชาหลอกอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อไหรเนี่ย ที่เราสามารถคลายความยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าได้คืออุปทานในขันทั้งห้าได้เมื่อ น, นั้นแหละจะทราบถึงว่าโอ้โหมันนานจริงๆเนาะที่เราถูกจิตของเราเนี่ยคดโกงล่อหลวมปลอมเทียมปลิ้นปล่อจึงมายึดถือเอาขันห้าว่าเป็นตัวเราของเราขันห้าเนี่ยไม่ใช่ของเราแต่คนที่สามารถจะปล่อยวางขันห้าได้ก็จะสามารถบรรลุ เป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งได้หรือถึงขั้นสูงสุดได้เพราะฉะนั้นกระบวนการที่จะทําตรงนี้ได้ก็ต้องอาศัยอริยมรตมีองคปดคนที่จะปล่อยวางขันธ์ห้าได้คุณต้องเดินอยู่ตามทางที่ตามมรตมีองแปดเพราะฉะนั้นมรตแปดก็อยู่ในตัวเราอุปทานความยึดมั่นถือมันก็อยู่ในตัวเราตัวขันธ์ห้าทั้งหลายก็อยู่ที่นี่แหล ะ, ะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าทั้งหมดเนี่ย ก็อยู่ในตัวเราเท่านั้นเองทั้งความเกิดทั้งความดับทั้งการที่จะพาไปถึงความดับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่การที่เรามีสติอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละนะเป็นหนึ่งในเส้นทางที่จะทําให้เราไปถึงการดับไม่เหลือของอุปทานได้รายการธรรมะอรรถรุนในวันนี้ ก็ได้นำข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของขันทั้ง5มาให้ท่านผู้ฟังฟังถ้าถูกว่าท่านผู้ฟังท่านใดยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่ยังพูดแล้วยังมีความสงสัยอยู่ต้องการจแจ้เคลมมาสอบถามก็สามารถาใช้ช่อง ท, งทางที่เรามีอยู่ไดนะ้ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ที่เพยธรรมะ .com หรือว่ า, าส่งมาทางไปรษณีย์ก็ได้ แต่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงอห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีอังสิตดินแดงกรุงเทพ10400แล้วก็ดังเจ้าหน้าที่ทั้งหลังใหม่หน้าใหม่ก็จะได้รวบรวมข้อมูลนี้แล้วก็มาพัฒนาป ร, ปรับปรุงรายการให้เป็นรูปแบบที่ดีมากยิ่งขึ้นในวันนี้ก็คิดว่าให้ข้อมูลได้พอสมควรกับเวลาลเพราะฉะนั้นในโอกาส ต, ต่อไปก็จะได้นําข้อมูลเรื่องที่ลึกซึ้งขึ้นไป ว่าในวันศุกร์หน้าก็จะพูดถึงเรื่องขันท่านี้อีกในอีกสองสามแง่มุมแต่วันนี้ก็ขอจเจริญพรติดตามรับฟังรายการธรรมะรับารุนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา5้0นาิกาถึงห้นงานาิกาามสิบนาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสาหรับวันนี้สวัสดีครับ